เป็นไงบ้างตอนที่เดินเองสบายอะไรสบายสบายใ จ, <pist> ยใจไม่ต้องคิดอะไรแต่ว่าตอนที่ไม่สบายคือตอนที่คิดมากคิดมากไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีข้าวกินใช่ไหมทุกอย่างต้องมีหมด น, นะเนาะบางที บางทีลูก็เรียนจบทํางานเยอะแต่ก็ยังคิดห่วงเขาก็มีนะอืมกังวลนะอืมแต่เนี้เรียกว่าเดินแบบซิมคิดเป็นคนซิมคิดแบบนี้นะคือมันตัดความคิดอเดินแบบคนไม่มีอนาคตเวลาด่าคนไม่มีอนาคตเนี่ยเหมือนเจี๋ยนะแต่จริง ทำมาจริไม่มีอนาคตคือไม่ปดนคิดกังวลถึงอนาคตอยู่กับปัจจุบันแบบไม่มีอนาคตเป็นคนไม่มีอนาคตเป็นคนสิ้นคิดถามโลกเขาว่าไม่ดีแต่พระจาจกาดนะีเพราะว่าอะไรเราตัดอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าตอนไหนเราจะทำงานเราตั้งใจคิดคิดได้นะไม่ใช่ว่าทั้งคิดนี้จะไม่คิดนะ เราจะทำงานเราก็คิดได้นะเราจะทบทวนอดีตเพื่อมาสอนลกนูกหลานญาติี่น้องเราก็ย้อนกลับไปคิดแต่คือตั้งใจนะหมายธรรมาก็ตั้งใจพูดก็คือมันก็ต้องคิดก่อนแล้วก็ไปพูดนะคือมันจะเป็นแบบว่าแต่ก่อนเนี่ยความคิดใช้เราคือมันคิดนะคิดแล้วมันถึงผัดคิดอยากจะคิดอยากจะไปว่าเขา คิดอยากจะดีต้องซื้อนั่นน่ะคือความคิดมันใช้เราเป็นเจ้านายเราแต่การมีสติเราเป็นเจ้านายความคิดเราใช้ความคิดเพื่อเขียนเราใช้ความคิดเพื่อพูดเราใช้ความคิดเพื่อทํางานมาต่างกันตรงนี้แหละเนาะถ้าใครอยากเป็นเจ้านายความคิดต้องมีสติถ้าใครอยากเป็นทุกน้องความคิดเป็นทาสความคิดก็เราก็จะต้องตกเป็นเป็นทาสของเขาอย่าร่งไปเนาะ ดึนช่วงเวลาประมาณสิบนาทีสุดท้ายก่อนบ่ายสองเพืนะ่อมีญาติโยมสงสัยนะในเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือเรื่องธรรมะเนาะเพื่อจะได้ถามกันนะเชิญเลยนะใครจะได้นะตอนเดินต้อสงสัยตอนนี้มันสงสัยหายไปหรือยังตอนเดินน้องวิภาควิจารณ์ตอนนี้มันเป็นไงกันนะมีใคร เช่นนะดีไหมคะดีมคะคะขอยกมือถ้าอยากจะถามอาจารย์นะคะพี่หมคะตอนเดิเราคิดว่าเป็นป้าใช้ใหม่เราจะคิดเปนว่าก้าซ้ายก้าขวาให้เปิดไมค์คืไม่ได้หรอกไม่ได้ เราคิดรากล้าค้านะฮะพี่ฉันคิดว่าเราจะกำเนบบวา่าซ้ายขวาให้ปิดเไปถึงตรงหน้าซ้าหมกันถึงก็มีบางวิธีที่เขาใช้ใช้คบริรัมเป็นคําพูดว่าซ้ายหรือขวาหรือหนอหรือว่าพูดโทรสม า, านางก็มันก็มีอันนั้นแต่ถึงถ้ามันเป็นเรื่องต้นก็ได้นะเป็นเรื่องต้นแต่ถ้าต่อไปก็ควรที่จะต้องวางคือมันที่ ถ้าเราปฏิบัติทเนี่ยคิว่าถ้าเราต้องพูดซ้ายพูดขวาหรือนับหนึ่งสงสามตลอดทั้งวันเน่ยาทีมันเหนื่อยเนาะแต่ถ้ารู้เฉยๆเนี่ยมันจะสบายแต่จะเอาเป็นเบื้องต้นก็ได้นะไม่เป็นไรมีตั้งเดินมครับมีตัเดินไมครับมีครับ ยกมือบริกรรมหรือว่ายกมือถแลนวถาะจะถามหรือบริกรรมบริกรรมบริกรรมเป็นรูปแบบที่ที่ยกนะแต่มาพูดนะว่าีกมือยกมือแต่ตอนยมยกจริงจริงไม่ต้องพูดในใจก็ได้คือรู้ เหมืนหลวงพ่อาบอกว่าดูเป็นวินาทีละครั้งคือต่อไปอีกบางคนอย่างมียมมันบอกว่าเวลาเราวิ่งนะเราก็เจนับไปด้วยมันจะเหนื่อยนะก็เราวิ่งมันทีมันเร็วใช่ไหมมันเร็วหรือเราทํางานทำการถ้าเราต้องแบบต้องเป็นต้องพูดก็เช่นกว่ากว่ากว่ากว่าเนี่มันเจ๊เหนื่อยแต่ถ้ารู้สึกเฉยๆเนี่ยมันเหมือนดูคนอยืนเขาทา ดูคนอื s <S ่นเขาทำเรานั s <S ่งดูนะดูไปเหมือนเราอยู่บนรถเราอยู่บนถนนนะดูรถมันยิ่งไปนิ่งมาไม่ต้องไปไม่ต้องไปนับหรอกเพื่อกี่คันแค่เห็นมันนิ่งใช่ไสบายนะแต่ถ้าเราต้องนับกี่คันกี่ครันกี่ครันกี่คันเนี่ยมันต้องจำต้องเหนื่อยแต่ดูเฉยๆหน่อนไม่เป็นไรอืมือนยาน่ะไม่ต้องนับมีคนกี่คนเน่ยมันจะเหนื่อยต้องจ้องละเอียดมากเราก็แค่ดูไป อะไรคิดคิดรู้มาแล้วก็ใม่สนใจใช่ไหมธรรมดาปกติเขาถามเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารูแบบนี้ดูไปแต่ที้จริงอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวหลักนะเราดูแบบนี้เพื่อให้อะไรเพื่อให้ทันใจเวลาเปนเผลอเผลอไปคิดอันนี้คือตัวกิเลสกิเลสไมันด้อยู่ที่เนื้อหนังมังสากิเลสมันอยู่ที่ใจพอเราไม่รู้ทันใจอ่ะอันนั้นคือตัวตัวปัญหา นี่คือรูปแบบที่ทำให้เราอยู่กับปฏิบัติพอใจเราเผลอมันจะเห็นออ น, นี้คือตัวหลัก น, นี่คือการปฏิบัติเต้ื่ให้เห็นกิเลสไม่เห็นกิเลสมันจะรักกิเลสได้ครับนะนะก็คงมีใครถามเลยไหมถ้าไม่มีก็แต่นิมนต์อาจารย์ตุ้มนอกท่านไปพูดสุดท้ายหนะ่ยฝากพวกเราไว้กนะารนิมนต ชนกันเนาะกระโจนกันชกนชกันทำยังไงให้จับไม่ทุก <c oughs> <c oughs> คือตรงนี้เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่คือเมื่อก่อนเนาะไม่รู้สักคําว่าไม่ทุกเนะครับรู้สักแต่คําว่าทุกกระสุนใช่ไหยครับหน้าเราก็พอเจอทุกแล้วก็วิ่งไปหาสุกพอวิ่งไปหาสุกเดี๋ยวมันทุกใหม่ใช่ไหมครับไอสุกสุกที่เราสุกสดี๋ยว่อ่ะมันก็พุ่งอีกแ ล, ล <c oughs> แล้วนะครัก็วิ่งใหม่วิ่งไปหาสุกใหม่ ตรงนี้เราก้าวข้ามความไม่ถูกไปโดยที่เราไม่สังเกตนี่ว่าการที่เราสังเกตเนี่ยตรงเนี้เราจะเป็นสิ่งที่เาจารัา์เราจะใช้เรียว่าช้สติชั้นสติของเราคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงของตายของ ใ, ใจตรงเนี้เราจะเห็นคนที่ได้ลองตั้งใจเนาะตั้งใจดูความเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยเราจะเห็นใจและอใจ จะเห็นใจมันน่าไปลกเองเลยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าตรงนี้คือการที่ใจมันน่าไปลกเนี่ยถ้าเราเรียกอีกอย่าก็ยังต้องใจเราถ้าเราเรียกอียาว่าเหมือนอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมเด็กๆเนี่ยเราจะเห็นนั่งนั่งหงุดหงไม่ใช่เป็นแต่เด็กเราก็เป็นแต่นั่นคือการที่นั่งเหมือนหรือใจลอยเนี่ยต้องให้คนอื่นเตือนเพราเราจะไม่รู้ตัวเองนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรือนอะไร แต่ว่านี่คือเราพอเวลาที่เราเริ่มตั้งต้นที่จะสังเกตตัวเองเราเพียงแค่ตั้งใจอยู่ความเคลื่อนไหม่เนี่ยใจเราแั้วแต่ยิ่งเดียวเราเห็นละใช่ไหมครับแล้วเราจะเห็นได้ทันทีว่าพอเวลาที่เราหักเคลื่อนไหม่เนี่ยถ้าเราเคลื่อนอีกครั้งในิจใจก็กลับมาลักดี๋ยวคือนี่คือสิ่งที่เราสามารถเตือนตัวเองได้คือ ถ, ถ้าเรารู้ว่าหลงเนี่ยใช่ไหมคือหลงไปคิดนะนี่เราลังตั้งใจอันนี้ แล้วใจเราหลงไป้าใจเราหลงไปไอ้ใจที่จะทั้งอยู่กับตารทำงานเราก็ไม่ดีแล้วนั่นคือตรงเนี่ว่าถ้ารู้ว่าหลงจะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าหลงเนี่ยอันตรายน่ากลัวเนาะช่วยไม่ยันั่นนั่นที่คือตรงเนี้ยการที่เรารู้ว่าเราเมาการที่เรารู้ว่าเราใจลอยไปการที่เรารู้ว่าเจนเราหลงไปนี่คือเรื่องเดียวกันแล้วนั้นที่เจอตรงเนี้ยว่า เราจะสามารถเกิดตัวเองได้แล้วก็ก็มี้ก็อย่างวที่ก็จะโน้มตัวมาคือจะทําอะไรก็ตางอย่างไม่ใช่แค่ฟังแล้วทําได้แล้วเราต้องฝึกใช่ไหมเนี่ยคือนึกถึงสมัยก่อน้วจารย์เราไปช่วยช่วยแม่ทำสมทิศเนี่ยเราก็ทําจะใส่อะไรก็ใส่แค่ไหนแล้วจะใส่อะไรก่อนจะใส่เลยล่ะอู้ดเป็นปัญหามากนะครับอย่างนั้น่ไหนถึงจะพอทำแค่ไหนถึงจะได้ใช้ได้ แค่นี้ใช้ได้อีกโอ้ยตามเทคนิคตันเดียวคำถามเยอะแยะไปหมดเลยนั่นคือเ ร, เราเหมือนกับว่าเมื่อเรายังทาไม่เป็นน้อแต่พอเวลาที่เราทํานานๆเท่ า, ามนี้ยโอ้ยจะเลยครับคือมันต้อเป็นไปเองเลยอัตโนมัติจะสใส่ไ้ที่แค่ไหนจะสใส่ไอที่เท่าไหนคนมาหาคนคนมาสิบคนจะใส่เท่าไหนก็เป็นเรื่องง่ายมากเลยนั่นนั่นคือตรงนี้เนี้ยนั่นหมายถึงว่าเราเริ่มต้นทําเนี้ยอาจจะยุ่งยาก อาจจะทําไม่เป็นอาจจะทําไม่อร่อยอาจจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พอเราทำไปนนานๆเนี่ยตรงนี้มันจะคล่องคือเราเนี่ยกำลังจะทําให้เราคล่องจากกาออกจากทุก <c oughs> คือตอนนี้เราไปลองหัดออกจากทุกตรงไหนที่จะออกจากทุกได้ก็คือใจจะไม่ใชใจนะไม่ใช่กายเนาะชืะ่นแล้วการเราทุกได้มากหรอกแต่ว่าใจเราที่เราออกไม่เป็นออกไม่เป็นจากไหนอาทิเช่นนะ คิดไม่ตกนะตอนนอนคิดไม่ตกที่ตอนนอนแล้วทํำยังไงเกิดอะไรขึ้นนอนไม่หลับครับเพ <c oughs> ราะว่าคิดม่มันไม่จบจบให้ลงเลยแลออกจากทุกไม่เป็นออกจากความคิดให้เป็นแต่การออกจากความคิดตัวนี้ทําไมกลับมารู้สึกตัวอะไรกลับมาใจกลับมาจากความคิดนี่คือเรียก ว, ว่ากลับมารู้สึกรู้สึกที่ไหนรู้สึกที่กายใจก็พนจากความคิดจบเลย <c oughs> นัินเลื่อนตรงนี้เพราะานี่คือลองหา หักทางตัวเองออกจากทุกข์ดังนั้นคือถ้าเราจกออกจากทุกข์ได้เร็วเท่าไหร่เราก็ต้องหักหักไปบ่อยหักไปบ่อยเข้าขึ้นใช่ไหมวขึ้นตรงนี้ยเราก็จะตอบถามาขึ้น <S <S <า>ก็ให้ทุกคนน้องได้แบบว่าได้หักทางตัวเองออกจากทุกข์แล้วก็ชีิตของเราของเรานับที่ชอบตัวเองได้นเนี่ยการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่วันนี้เราอาจจะช่วยเขา เรื่องคำแทนหรื <c oughs> อว่าแอบหัวโงแต่ว่าพันธุ์นาเนี่ยเราจะช่วยเขาออกจากตรงกลางเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่การเกิดมาของเราจะได้ทำ <c oughs> ได้น้อเนี่ยก็พระพุทธอท่านนั่กับทุกๆท่าน